กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะท่าน 5 นะคะท่าน นะคะ. 20 ที่เราผ่านมาทั้งหมด แสดงที่ไหนใครเป็นผู้ฟังตรงนี้ถือว่าเป็นสาระประโยชน์อันในบางครั้งบางโอกาสเราอาจจะได้ยินได้ฟังในการในแวดวงของนักการศึกษาที่มักจะมีการศึกษาในหมวดนะคะอาจจะได้ยินประโยค กล่าวว่าพระอภิธรรมนั้นไม่ใช่พุทธพจน์ในเมื่อเราได้ยินอย่างนี้แล้ว เราคงได้คําตอบนะคะว่าเป็นพุทธพจน์หรือไม่เป็นพุทธพจน์ตามความ คือท่านพระพุทธเจ้าที่มีพระนามว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าในสมัยนั้น เคารพในเสียงนั้นเมื่อครั้งคราวเหล่านั้นตายก็แบบ ซึ่งท่านพระสารีบุตรก็ได้ฟังมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงธรรมกับท่านพระสารีบุตรค่ะมาพูดถึง ในยุคที่พุทธศาสนาเสื่อมจากทางประเทศอินเดียก็จะมามีการประมาณ 1200 มาแล้วเนี่ยนะคะทาง สามารถที่จะนํามาเผยแพร่แล้วก็ 1200 เนี่ยค่ะท่านพระเถระผู้หนึ่งชื่อว่า ได้รับเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระภิกขัมท่านหนึ่ง ขนาดที่ย่อย่อสะดวกแก่การศึกษาสะดวกกับการจดจําเมื่อท่านพระอนุรุทธเถระได้ ในสมัยเด็กๆที่เราเรียนหนังสือใช่มั้ยคะฉบับเรียนเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็อภิธรรมที่ชื่อว่าอภิธรรมัตตสังคหะเป็นความ 9 ประดิษฐ์ 9 ตอน แต่ละปริเฉทก็จะมีเนื้อหาพอจะสรุปได้ดังนี้ท่านนักศึกษาดูที่หน้า 21 นะคะปริเฉทเนี่ยนะคะปป แบ่ง 9 ตอนหรือ 9 บริเฉทด้วยกันบริเฉทที่ 1 ตั้งชื่อไว้ว่าจิตตสังคหวิภาคเป็นการแสดงธรรมชาติของจิตแจกธรรมในหมวดของจิต เป็นตามปกติอย่างนี้จนบางครั้งเอ๊ะตอนนี้จิตหรือหรือใครกําลังทํางานเราทํางาน เรเราก็เลยไหลไปตามกับสภาพความเป็นๆที่ปรากฏสภาพที่เป็น ทำให้เกิดการรับรู้อารมณ์บ้างหรือบางครั้งนามอย่างเดียว แต่ละแบบให้เห็นชัดเจนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ทราบว่าโดยความเป็นจริงแล้วจิตแต่ละประเภท อ่าในขณะที่เรากําลังเห็นดอกไม้ที่มีความสวยสดใจบุคคลผู้นํามาให้ ในใจนั้นกลับไม่ชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือขนมชิ้นนั้นนั้นกลับไม่ชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือ ไม่อยากจะละสายตาไปจากดอกไม้ชนิดนั้น แต่เป็นต้องการในลักษณะของการผักไสออก ความแตกต่างอันนี้มีเหตุและปัจจัยแตกต่างอันนี้มีเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยต้องไปศึกษา 2 บริเฉท 2 นั้นว่าในนั้นเป็นธรรมชาติที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งทําให้จิตนั้นชอบบ้าง เขาจะถึงเข 52 ลักษณะใน 52 ลักษณะเนี่ยค่ะเขา 1 เจตสิกในบริเฉทประการคือจิตๆ มัญจุใสแก้ววางไว้ซัก 89 แก้วหรือ 121 แก้วเป็นแก้วที่ 1 ถึงแก้วที่ 7 สีแดงนั้นเปรียบเหมือน จิตๆแล้วเปรียบจิตนั้นก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของสภาพธรรมนั้นกับน้ําใสๆแต่เมื่อมีสภาพธรรมอีก อกุศลเข้าปรุงแต่งจิตนั้นก็ได้ชื่อว่าอกุศล 8 แก้วเราใส่สีเหลืองลงไปเมื่อสีเหลืองหยด ธรรมชาติที่เป็นไปเหมือนกันกับสภาพธรรมที่เข้าปรุงแต่งเช่นสภาพธรรมที่เป็นกุศล 1 และบริเฉทที่แล 2 คือ เนื้อ 3 นี้เป็นการนําเรื่องของจิตและเจตสิกที่เราได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ ก็จะมีการเห็นไหมคะหมวดหมู่ของเวทนาไว้หรือเจตสิกที่เป็นแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือตามที่เรา 2 หรือปริเทศ 3 ปริเทศที่ 3 นี่เราเอาสิ่ง ไปค้นมาก็ไปเจอเจตสิกส่วนหนึ่งที่เป็น oh ไปไปแล 3 แล้ว จิตมีหน้าที่อะไรจิตชนิดไหนที่สามารถที่จะส่งผลนําเกิด การสืบต่อตรงนี้ไม่ได้หมายถึงความเที่ยงนะคะแต่หมายถึงว่าเมื่อ เราก็จะได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ 22 นะคะ 4 จะเป็นการเรียนเรื่องวิถีจิตเรื่อง จะรู้กระบวนการการทํางานของจิตที่เป็นจะจะ 5 นะ ปริเฉทที่ 5 ศึกษาเรื่องวิถีมุตตสังคหวิภาคศึกษาวิถีมุตตจิตศึกษา 1 ก็คือ อันนี้เป็นวิชาใหม่ทางโลกที่เอาทางธรรมเข้าไปไปเกี่ยว ภพภูมิคือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เป็นไปด้วยเหตุและแล้วเรามักจะได้ยินคําว่าตายแล้วไปไหนตายแล้ว ก็อธิบายไว้ย่อๆก่อนในบริเฉทที่ 6 ค่ะศึกษาในเรื่องของรูปแล้วก็ในเรื่อง ต้องศึกษาเรื่องนามเร 6 เรื่องนามเรา 1 และ 2 ที่ได้ว่าเอ๊ะเนื้อหาอะไรบ้างที่แล 7 ค่ะ ปริเฉทนี้ก็ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลย 7 ชื่อว่าสมุจยะสังคหะเราจะนําปรมัตถ์ค่ะเอามา เป็นแบบฝึกหัดเลยก็คือมาสงเคราะห์ว่าอะไรนะของความเป็นจริงคือจิตบุญในภาวะของความเป็นจริงคือจิตบาปนั่น จะบริหารจิตชนิดไหนกันคนเราทั่วไปน่ะอมรรคจะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่รู้จัก จะได้แสดงธรรมที่ 23 ต่อเลยค่ะเลยค่ะอย่าง 5 ขัน 5 อันได้แก่ได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์ 5 ถ้าเรา รูปทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปขันธ์รูปทั้งหมดต้องเข้าใจก่อนนะคะตามที่เราเรียนมาในบริเฉทที่ 6 รูปทั้งหมดหมายถึงๆอีกที่เรา <ม. S 1> คำๆก็คือเป็นของจริงคือเป็นของจริงจริงเนี่ยต้องจริงๆนะจริงอย่างที่เราใช่จริงต้องจริงโดยธรรมแต่ของจริงโดยธรรม พอเอายึดเอาของจริงมาเป็นของเราของจริงคือมีการเกิดมีการไปตามธรรมชาติที่ปรากฏเราไปยึดเอาอย่าเปลี่ยน แล้ว 7 ที่สําคัญมากเลยก็คือในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมนั้นเป็นธรรม 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 7 และ 8 สิ่งเหล่า 7 ต่อไปนะคะบริเฉทที่ 8 ค่ะศึกษาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทศึกษาเรื่องของการเวียนเวียน 9 ศึกษาเรื่องกรรมฐานกรรมฐานในบริเฉทที่ 9 เนี่ยนะคะศึกษาส่วน คือในส่วนของสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานอะไรและประโยชน์สูงสุดของความสงบของผู้ที่ปฏิบัติในแนวของสายสมถะฌานอภิญญาเป็นไปแต่มรรคผล 9 เมื่อแสดง เป็นการแสดงถึงวิธีการปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าจิตเจตสิกรูปนั้นเป็นองค์ประกอบของๆ ในการเจริญวิปัสสนาซึ่งเรา 1 ถึง 8 ค่ะถึงจะทําให้ความ มีความรู้ที่ว่าการว่างจากความเป็นตัว สิ่งๆเหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะทําให้ 089 1402400 นะคะ กำลังรับฟังอยู่นะ แล้วในคราวหน้าเราจะมาเจอในบทเรียนชุดที่ 2 นะเข้าสู่บทเรียนในชุดที่ 2 ในเรื่องของจิตเรื่องของชีวิตท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะยังไม่ได้มีโอกาสเป็นศึกษาพระพิธัมทางไประสนีเราเห็นว่าความรู้ 028845090-2 028845090-2 โทรมาสมัครได้นะคะหรือจะก็เขียนจดหมาย รายละเอียดอย่าเขียนหวัดนะคะนี้เขียนให้ชัดเจนอย่าเขียนหวาดนะคะเพราะว่าเราต้องทํา mm hmm. 28 ปณศ. หน้า 10202 ตู้ 28 ปณศ. หน้า 10202